บทนําเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่น่าเชื่อที่องค์กรศาสนาในโลกแม้จะได้เทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่เสมอถึงเรื่องสวรรค์และโลกหน้าก็ตามแต่ตนเองก็กลับไม่มีความรู้เรื่องราวที่ตนสอนผู้อื่นอยู่เลยพระรูปหนึ่งเขียนจดหมายมาบอกข้าพเจ้าว่า 90% อร์เซ็นตของพระนันิกายของท่านไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าหรือสวรรค์ น, นรกกันเลย แต่ก็ยังมีศาสนิกนี้กายหนึ่งอ้างเป็นพิเศษว่ารู้เรื่องนรกดีคือถือว่านรกนั้นถ้าใครได้ตกลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันไม่มีหวังได้หลุดรอดออกมาอีกต่อไปครั้งหนึ่งมีผู้ถามนักบวชของนิกายนี้ว่าท่านเชื่อเรื่องนรกจริงๆริหรือท่านตอบว่าอา้าวก็ต้องเชื่อสิท่านแต่ท่านไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครไปตกนรกเช่นว่านั้น องค์กรศาสนาในโลกทำให้เรื่องโลกหน้าเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์เกี่ยวกับพิธีรีตองทางศาสนามากมายจนกระทั่งประชาชนประเภทต่างๆพากันมองเรื่องผีเทวดานี้ด้วยความกลัวบ้างด้วยความสงสัยบ้างด้วยความหวาดระแวงบ้างด้วยการหัวเราะยาะบ้างและด้วยอารมณ์อื่นๆอีกนานาประการตามอัธยาศัยและการอบรมมาของแต่ละคน ที่จริงความตายจะต้องมาถึงเราทุกคนในวันหนึ่งมันอาจจะมาถึงโดยค่อยๆคืบคลานเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยก็ได้หรืออาจจะมาโดยกระทันหันก็ได้ดังนั้นการที่เราจะรู้ถึงสภาวะที่เราจะต้องเปลี่ยนไปภายหลังจากตายไปแล้วนั้นจะไม่เป็นประโยชน์และกำไรของชีวิตเราหรือการที่วิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องได้มาติดต่อกับผู้จดบันทึกในโลกมนุษย์ ก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ชาวโลกทั้งหลายได้บรรเทาความหวานกลัวถึงความตายและความเข่าวเกี่ยวกับโลกหน้านั่นเองหมายเหตุผู้จัดพิมพ์จากคำนำและบทนำของมิสเตอร์แอนโทนีที่เขียนไวน้นี้ทำให้ผู้อ่านทราบได้ดีว่าเรื่องนี้ได้มาอย่างไรและข้อที่น่าสังเกตก็คือ นักสอนศาสนาส่วนมากสอนให้คนอื่นเชื่อเรื่องชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์แต่แล้วตนเองกลับไม่เชื่อหรือถึงแม้จะเชื่อแต่ก็ไม่หนักแน่นสอนกันไปตามคำพีหรือทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเหตุการณ์ในทานองนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในทางคริสตศาสนาเท่านั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้มีด้วยการทุกศาสนารวมทั้งพุทธศาสนาด้วย เราเหตุที่ผู้สอนมักจะเป็นอย่างนี้การสอนศาสนาจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร